กราบพระนาตตรัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์ขอกราบหลวงพ่ อ, อท่านรองเจา้าคณะอำเภอนาเชือกขอกราบหลวงพ่อผู้เป็นประธานในงานนี้ขอโอกาสกราบครวะพระเถรานุเถระตลอดทั้งเพื่อนทหาธมิกทุกท่าน เพราะเจริญในธรรมญาติธรรมที่นั่งฟังอยู่ในขณะ น, นี้ทุกคนช่วงออกเย็นในวันนี้หลังจากการทำวัดเย็นจบลงหรือวัดเช้าทำวัดเช้าจบลงก็มีการพูดธรรมะสู่กันฟังตามธรรมเนียมของนักปฏิบัติ ซึ่งวันนี้ทางครูอาจารย์ก็ให้ผมเนืออาตมาเนี่ยมาทำหน้าที่อันนี้คือในการพูดธรรมะสู่กันฟังดังนั้นการพูดธรรมะผมเองก็จะพูดเรื่องของผมที่ผมได้ศึกษาและปฏิบัติมา ในแง่ของการปฏิบัติดังนั้นการปฏิบัติธรรมนี่ซึ่งแต่ก่อนผมขณะที่บวชเข้ามาเนี่ยผมก็ตั้งสัจจะว่าจะไม่ศึกษาอะไรให้มากจะศึกษาเรื่องของกรรมฐานเนี่ยให้มาก พูดแต่สติปัญญาของอเราจะศึกษาได้ขนาดไหนก็ตั้งอธิอธษฐานไว้อย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้พระเองก็ได้ไปศึกษาหลายๆหลายๆอย่างอยู่เช่นพุโทโธกด็ดียุบหนอพังหนอก็ได้ทำมาแต่การกระทำที่ได้ปฏิบัติมานั้น เราไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนคำตอบจากตัวเราเองเนี่ยผมเองไ ม, ไม่ได้คำตอบชัดเจนคือว่าซึ่งซึ่งแต่ก่อนเนี่ยไปปฏิบัติจุบหนอพองหนอกับอาจารย์อสพะอยู่ในเขอสมเมืองชนบุรีเนี่ยท่านก็บอกว่าลวงพ่อน่้ยทั้งยานสิบหกแล้ว ออกไปสั่งสอนญาติโยมได้แล้วหรือเพื่อนธาตมิกได้แล้วผมก็ก็ดีใจที่ท่านทกย่องนะแต่ทีนี้มามองอีกมุมหนึ่งมาสังเกตอีกมุมหนึ่งเมื่อสังเกตผมก็ได้คำตอบอกมาว่าเอะเราเนี่ยครูบาอาจารย์ก็บอกว่าได้ถึงขนาดนี้แต่เราทำไมถึงมีกิดก็เพื่อมอยู่ ขณะที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงเนี่ยบางครั้งบางคราวเห็นพระเห็นเนรทําไม่ถูกมันก็มันก็ไม่พอใจมันก็โกรธขึ้นมาอยู่แต่ว่าเราข่มเอาไว้ไม่แสดงออกทางวาจานะหรือทางกายไม่แสดงออกมันเป็นการข่มกิจเราก็คุณนะ่ะแต่เราไม่รู้หรอกว่าเรากดไว้ฮนะ บางทีเนี่ยเห็นญาติเห็นโยมทำไม้ถูกใจก็ก็มีก็มีกิจกับเพื่มอยู่เราไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนะคือมันไม่แก้งอะ่ะคือมันไม่หายสงสัยอะ่ะนี่นี่ผมได้ประสบการณ์มาเองนะครับเป็นอย่างนี้ที่นี้เมื่อเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เลยเอะเรานี่ก็เรกว่าเราปฏิบัติได้ดี แต่ที่นี่ขณะที่ปฏิบัติอย่างนั้นเนี่ยเราเราสามารถทำได้หลายๆอย่างอยู่นะเช่นเราจะเพ่งทำจิต ด, ดีๆแล้วเนี่ยเราจะเพ่งไปอะไรอะไรก็มันก็ไ ด, มได้มันก็ได้อย่างอย่างที่เรานึกเช่นเราจะเพ่งล่วงหน้ า, าก็ได้อย่างวันนี้ที่โยมจะมาเนี่ย นั่งแล้วจะร ล, ลูกทันทีแล้วยมจะมาหาเอารถมาจีคันมันคนจีคนเนี่ยสามารถดูล่วงหน้าได้ซึ่งชุดนั้นนะปียี่สิบปียี่สิบห้าเนี่ยสองนยี่สบห้าเนี่ยสามารถทำได้อย่างนั้นแต่ที่นี่เราก็ว่าเราเนี่ ย, เ, ยเป็นผู้เป็นผู้ลูกเก่งแล้วแล้วทิ่ถีมานะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมเคยผมก็สังเกต ทิฏฐิเราจะมากเช่นเข้าไปในวัดนี่เห็นครูบาอาจารย์เห็นท่านน่ะพระหลวงตาหลวงพ่อเนี่ยไม่อยากจะเคารพเนี่ยมันสําคัญมั่นหมายว่าเราเนี่เป็นผู้เด่นผู้ดังนะนี่สําหรับผมเองเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นอย่างนั้นชุดนัะนะ่นเป็นอย่างนั้นที่นี่เราก็มาดูเออเรานี่ทําได้อย่างนี้อยู่แต่ว่าทําไมถึงโกรธอยู่ อะไรอะไรก็เหมือนเก่าอยู่โกรธก็เหมือนเก่าความชิดปรุงแต่งก็เหมือนเดิมนะแต่ว่าขณะที่มันมันกโกรธเนี่ยเราก็มานั่งสมาธิบริกรรมเลยละโกรธเนาะโกรธเนาะโกรธเนาะมันก็หยุดไปนะมันก็หยุดไปหรชิดก็ว่าชิดเนาะชิดเนาะชิดเนาะจะปรุงแต่งเรื่องอะไก็ตามเราเอาเราเอาสิ่งที่มันโกรธเกิดขึ้นมาเป็นนิมิตบริกรรม บริกรรมมันก็หายขณะที่เรานั่งสมาธิหรือเดินจมกรมเนี่ยก็จริงกิเลสเข้าไม่ได้จริงจริงกิเลสเข้าไม่ได้แต่ว่าพอเราออกจากจา ก, จากสมาธิหรือเดินจมกรมเนี่ยหรือเราทาทากิจออกจากภาะธรรมกิจ เ, เราไปกระทบเนี่ยกระทบมันไม่ทันมันไม่ทันมันแก้ไม่ทัน ทีนี่ก็ยังยังสงสัยอยู่เอไอ้ปฏิบัติธรรมก็ทำมาขนาดนี้เด้แต่ว่าทาไมมันมันขุนอยู่เนาะกิดแต่มาทำไมกับเพื่อมอยู่ซึ่งแต่ก่อนนี่พร้อมเองถือถั่ปดงวัดลองท่าไม่ใสา ถ, ถือผ้าสามผืนเป็นวัดฉันมังสาเวรัตซึ่งแต่ก่อนนะถืออย่างนั้นตั้งแต่ยังไม่พบหลวงพ่อเทียนนะ ที่ได้พออยู่มาเนี่ยออกพรรษาแล้วก็กลับมาเยี่ยมบ้านก็โชคดีก็มีพระครูรอง เ, เอจ้าคณะเภอจตุรัสท่านก็ท่านท่านก็ไปนักปฏิบัตินั่นกันท่านก็ชวนไปไปลองเจริญสติกับหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเสียนเป็นไรไคือท่านก็น ก, ก, ก, ก็มาม า, ม า, มาทำก่อนแล้วท่านมาปฏิบัติก่อนแล้ว ซึ่งแต่่อนท่านกระทั่ยุบหนองพองหนองเหมือนกันอยู่ที่ถ้าโพธิสัตว์ท่านธรรมอะะออยู่จังหวัดสระบุรีทีนี้พอท่านมามาปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนกับหลวงพ่อคําเชียนเนี่ยท่านก็ก็ได้คําตอบท่านบอกว่านะแต่ท่านไม่เปิดเผยหรอกก็บอกหลวงพ่อมาล่อมาซึ่งแต่ก่อนนี้ท่านจะหลวงพ่อคําเฉียนท่านอยู่ป่าสุกโตอเออำเภอแจ้งข้อจังหวัดเชียงภูมิแหละ ท่านอยู่บนหลังเขาเพรท่านชวนน่ะพขา อ, ออกกัญชาแล้วใหม่ๆก็หนานาอยู่ตอนนั้นก็มาแต่พอมาเห็นเนี่ยเห็นท่านเดินจมกลมเน่ะเถ็นพระเน้นเยอะเหมือนกันนะ่ะเปิดอบรมอย่างนี้แล้วซึ่งซึ่งแต่ก่อนนั้นท่านจะเปิดอบรมตั้งแต่พระก่อนเดือนหนึ่งซะก่อนยังออกเผยแผ่อย่างนีน้เอาพระไปฝึกที่ท่านก่อนพอผมไปเห็นเนี่ยเห็นท่านเดินจมกลมเนี่ย บางองค์ก็ใส่รองเท้าเดินเอ๊ะมันเดินอย่างไงใส่รองเท้าเดินจะเป็นสมาธิได้หรือจะสงบได้หรือมันก็ชิดชิดอย่างนั้นอ่ะจับผิดทันทีเลยยิ่งเห็นท่านยกมือสร้างไงว่ะยิ่งเอาไม่ได้เลยโอ้ไม่กี่ไม่ใช่นักปฏิบัติอ่ะมันไปจับผิดเลยละ่ะนี่สาหรับผมเองนะครับจับผิดเลยยิ่งยกมือยิ่งทำมาได้เลยละ่ะดูไม่ได้เลย ไม่ยอมรับเลยอยู่สามวันผมภายบาทกลับบ้านไม่เอาไม่ใช่นักปฏิบัติเราไม่ทำอย่างนี้นี่แต่ว่าไปอยู่ก่อนจะถึงวันสามวันเนี่ยไปอยู่ก็ต้องเดินนุ่มกลมเหมือนกันอะเดินนุ่มกลมนั่งสมาธิเรากำหนดยุบหนอพองนอยอย่างอย่างผมเคยทำมาทีนี้ท่านเห็นเราเดินอะมันก็เดินช้าๆเดินยุบหนอพองนอกําหนดหนอ เลินจะช้าท่านก็หัวเราะเราอ่ะไอเราก็หัวเราะท่านเหมือนกันนะพระมูนีมันยังไงเนาท่านก็หัวเราะเราเนี่ยก็มีอาจารย์เนี่ยนิวรณ์เนี่แหละองค์หนึ่งไปด้วยกันซึ่งจําได้ทั้งก่อนนะอาจารย์วิมลในองค์หนึ่งรูปหนึ่งไปะชุดนั้นนะ่ะทีนี้พอสามวันก็กลับบ้านพอกลับบ้านเนี่ย ก็คิดเห็นคิดถึงคำพูดของหลวงพ่อคำเชียนเนี่ยซึ่งท่านพูดบอกว่าจเจริญสติประธานสี่กายเวทนาจิตธรรมเมื่อจเจริญนาติประธานแล้วเนี่ยเมื่อกิจเป็นสมาธิจะเกิดปัญญาขึ้นรู้รูปลู่นามเพราะท่านพูดอย่างนี้เลย ท่า น, นก็บอกว่าขั้นต้นของกรรมาฐานเดีเขาเข้าใจรูปนามก่อนก็ติดใจเออเราไปปฏิบัติมาเนี่ยครูบาอาจารย์ไม่ได้บอกว่าให้เป็นรูรูปรูปรป้นามแต่ท่านเน้นอยู่ ต, ตัวตัสมาธิแต่ก่อนนะกําหนดกําหนดจาม อ, อาริบทอืมเอาหนอเป็นนิมิตให้อยู่ที่กันหนอนั่นแหละแต่ท่านทํำไมพูดอย่างนี้เนาะก็มันกระทึ่งใจอ่ะเชื่อแต่ว่ารูปแบบเนี่ยมันทำไม่ได้ มันอายมันเก้อเขินทีนี้พอท่านจบเดือนหนึ่งท่านก็ก็หยุดท่านก็มาเปิดอารมที่วัดโม่ขอนเจนนี่นะหลวงพ่อเองก็มามาเนี่ยมาขอนเจนพอมาขอนเจนอยากจะพี่สูนรลองดูก็ชิดว่าเอ๊ะกรรมฐานเนี่ยจะผิดจะถูกก็ดูอ่ะดูพระ ท่านถ้าเถละยี่สิบพันสาก็มีสามสิบพันสาก็มีสิบพันสานี่ยเยอะอถ้าถ้ามันปิดถ้าไม่ถ้าท่านไม่ได้รับอารมณ์อะไรบ้างอ่ะท่านท่านคงไม่มาทำนะไอเรานี่คงทำได้ลองทดลองดูององดพอเก็ดวันท่านเขาก็ปิดเลิกอย่างพวกเราเนี่ยแหละผมเองขออยู่ขออยู่ขอปฏิบัติ แต่ตางค์ที่เอามาไม่มีอ่ะยืมเพื่อนร้อยหนึ่งเพื่อนมาด้วยกันสามสี่องค์ก็ถามมาเพื่อนของพ่อท่านมีเงินไหม ย, ยืมสักร้อยดิผมจะอยู่ท่านก็ให้ก็ปฏิบัติลองดูอยู่ขอแนแก่นปียี่สิบหกเนี่ยยี่สิบห้ายี่บหกนี่แหละทําดูทีแรกเนี่ยยกมือสร้างไอย่าว่าไหนทาไม่ได้ไปอยู่ในป่าซึ่งแต่ป่าวัดโม ก, ก่อนวัดโมกขอแนแก่นเป็นป่าหนา ไปอยู่ในกลางป่าแต่เดินกนิมก้มนี่พ่อได้อยู่ไปอยู่ในกลางป่าก็ยกมือขึ้นอยู่คนเดียวถ้าครูบาอาจารย์ไปหาจะหยุดทันทีอายอาจารย์ก็ไปบ่อยไปจอบดูว่าเราในสูบบุหรี่หรืออะไรนี่แหละท่านก็ไปจอบบ่อยๆก็ไม่ทําก็ไม่เห็นท่านนี้แล้วจึงทําที่ได้ทําไปทํามาเนี่ยหลายวันเข้าหลายวันเข้าเนี่ยนะ ลวงพ่อทรรมนี่ทาจนเดินจมกลมในทางนี่เป็นร่องนะเพียงตุ้มม่องเนี่ยจะนอนเพียงวันละห้าหกชั่วโมงล่ะัางวันไม่ต้องพูดถึงละ่ะทาอยู่อย่างนั้นสี่สิบสามวันพอสี่บสามวันนะเปิดเผย อ, ออกมาเลยเข้าใจรูปนามเนี่ยชัดเจนเลยเกือบเกือบเป็นบ้าอีก พอพอเข้าใจรูปนามพับเนี่ยเหมือนเปิดประตูบ้านออกมาเนี่ยเปิดใจออกมาเลยโอ้เนี่ยอันนี้รู้อันนี้นามพอบายงั้นน่ะเข้าใจไปหมดแลดูอะไรเป็นแจ้งไปหมดหา ย, หายได้คําตอบมาเลยนี่ทีนี้พอพอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยพอเข้าใจเท่านั้นเองล่ะมันอยากพูดอยากสอนสารพัดอย่าง หายสงสัยว่าโอ้ตั้งแต่ที่ต่อไปจะไม่หาอาจารย์ได้อีกแล้วมั่นใจอย่างนั้นจริงๆเกิดเชื่อเกิดศรัทธาขึ้นมาทันทีเลยโอ้หลวงพ่อเทียนเนี่ยเอาอะไรมาสอนเนาะสั่งเราถึงรู้ได้อย่างนี้มันพิสูจน์ได้มันมันมันหายสงสัยนะดังนั้นการที่เราเข้าถึงธรรมเนี่ยผมอยากจะพูดว่าการเข้าถึงธรรมหรือการรู้ธรรมเนี่ย นะไม่ใช่รูอย่างอื่นเลยรูตัวเราเนี่แหละการเข้าถึงธรรมขั้นแรกนะขั้นต้นคือเราเข้าถึงตัวสติปัฏฐานนี่การเข้าถึงตัวสติปัฏฐานเนี่ยพอจับสติปัฏฐานได้ละวทำไมถึงถึงว่าให้เข้าถึงตัวสติปัฏฐานคำว่าสติเนี่ย มันมีอยู่สองสองสองสติสติธรรมดาเนี่ยพวกเรามีทุกคนญาติโยมก็มีเดียเ๋ยวนี่มีทุกคนใครๆก็มีนะแต่สติอันนี้เป็นสติธรรมดาธรรมดานะทีนี้เราเราก็สร้างจากสติธรรมดานี้่ยไปจนเข้าถึงสติปัฏฐานสติธรรมดาที่ญาติโยมสร้างอยู่เดี๋ยวเนี้มันทั้งสุขมันทั้งทุกข์นะทั้งง่วงนอนทั้งสารพัดอย่าง คิดก็มากอะไรต่า ง, า ง, างนาๆนานาแต่ว่าโยมโยมต้องต้อ ง, องฝืนนะฝืนแล้วพ่อเหมือนกันทั้งที่พูดเนี่ยก็เดินย่อมกม้มเนี่ยหัวชนไม้นั่นแหละแล้วก็สร้างจากสติตัวนี้พอเรากําหนด บ, บ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าเนี่ยสติตัวเนี้ตัวรู้ศึกตัวเนี่ยหรือตัวสติความคําว่ารู้สึกตัวสึกตัวตัวเนี่ยนะมันถูกพัฒนาขึ้นเนี่ย เราพัฒนาขึ้นบ่อยๆกำหนดรูปบ่อยๆ บ, บ, บ่อยเข้าบ่อยเข้าเนี่ยมันเปลี่ยนเปลี่ยนจากสติธรรมดาเป็นสติปัฏฐานถ้าเราจับสติปัฏฐานได้คือได้อารมณ์แล้วพอได้จุดนี้ความง่วงจะหายทันทีความชี้เกียจอะไรไม่มีแล้วเราจะอยากทําทันทีที่เนี่ยเกิดอารมณ์ร่วมขึ้นมาทันทีนี่จุดต้นสําหรับผมเองเป็นเป็นอย่างนี้พอได้อันนี้แล้วเนี่ยพอได้เขาทึ้งจุด จุดนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องให้มีใครบอกแล้วที่นี่เราทำเราทำเองแล้วอยากเก็หนีจากหมู่แล้วที่นี่ไม่อยู่กับหมู่แล้วจะไปหาที่ใดมันสงบดีๆจะไปหาแล้วหลีกเล่นจากหมู่เนี่ยเป็นแล้วเท่านี้แหละขั้นต้นเป็นความง่วงความชี้เกียรติ อ, อะไรไม่มีแล้วจะรู้จากพัฒนาตัวเองแล้วที่นี่การใช่ของใช่แม่แต่ ผ้าจีวรหรือการขบการฉั้นอะไรจะเริ่มเริ่มเริ่มเริ่มเป็นละเริ่มสันโดดแล้วไม่มากมากแล้วใช่พอดีพองามแล้วที่เนี่ยรู้จักรู้จักอายแล้วเนี่ยสติเนี่ยมีสติอย่างเดียวเนี่ยอย่างอื่นเนี่ยมันมันมันเป็นไปนหมดเองมันงามเองมันเกิดงามเกิดเกิดดูเนี่ยมันมันเดินก็ก็ต่างเราทํำไมเดินสวยเงินงามแท้ แต่ความจริงมันงามย้อนพระเดินกับสติเดินกับสติเนงามเนี่ยไม่ซุกซี่ลุกลี้ลุกลน้นไม่ซุกซี่สุกซนแม่จะจะตื่นนอนก็ตามมันจะนิ่มนวลไปหมดอาบน้ามสงน้ํามชันขบชันอะไรต่า ง, า ง, างๆนาๆมันมันจะนิ่มนวลไปหมดเพราะว่าสติบังคับสติรักษาเราไม่ใช่ไม่ใช่เรารักษาสติสติจะรักษาเราตรงนี้เองละ่ะเราจะเห็นเลยเราโอ้เราเปลี่ยนแล้วทีนี้ความเห็นต่างๆเนี่ย ก็จะถูกเปลี่ยนเหมือนกันนี่แต่ว่าความความคิดก็มากอยู่ความโกรธความโมโหมากอยู่คือความเหมือนเดิมนะแต่วักษณนานี้มันเป็นอย่างนี้นี่ก็คือเข้าตรงคือคือจับสติได้จับสติปัฏฐานได้นะทีนี้เราก็ความเพียรแล้วไม่ต้องให้ขวบแล้วทําไปทําไปทําไปเนี่ยเหมือนธรรมาที่กล่าวข้างต้นว่าสี่สิบสามวันเนี่ยเราจะเข้าถึงรูปนามทันที คำว่ารูปนามหรือตัวสติเนี่ยไม่ใช่คําพูดไม่ใช่คําพูดนะรูปนามเนี่ยที่ว่ า, วารูปานามเนี่ยเป็นสมมุติพูดถูกกันฟังเฉยแต่สภาวะเป็นรูปเป็นนามจริงๆไม่ใช่คําพูดไม่ใช่ตัวหนังสือเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นจากจกิตสํานึกลึกๆนี่พอเราเข้าถึงพับจะจิตจะเปลี่ยนทันทีขณะที่จิตเปลี่ยนทับเนี่ย ตรงนี้เองอะ่ะตรงเราจะหลงนะผมเองอนะ่ะพอเข้าถึงนี่ปุ๊บนี่คิดเห็นแม่ทันทีพ่อแม่เท่านั้นหละน้ำตาจะร่วงออกมาทันทีเลยน้าตาไหลออกมาทันทีเลยละ่ะอยากให้แม่มาเห็นอย่างเราส่วนพ่อนั่นท่านเสียไปนานแล้วพอคิดถึงแม่น้ำตาไหลอะนระสะอื่นเดินอยู่นะนี่ แล้วใะความอยูง่งานความเพียนน่ไม่ต้องบอกแล้วไม่ต้องบอกล่ะไม่ต้องถามใครอีกแล้วนี่คือมันเปิดของปิดจริงกิงแท้ๆเปิดของปิดหงายของคว่ำนี่พิสูจนได้อย่างนั้นนะนี่จิตจะเปลี่ยนทันทีนี่เราจะได้ว่าโอ้คาว่าเข้าถึงทำเนี่ยคือเห็นสภาวะตัวของเราเนี่ยเด้อตัวของเราเนี่ยไม่ใช่ตัวตนยิงๆ สาภาวะรูปสาภาวะนามแต่เปิดตัวติไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนไอ้ที่เรามีตัวไม่ตนเนี่ยทิฐิมรณะเราเฉยๆนะหรือสมมุติบัญญัติเราติดสมมุติเราตัดติดบัญญัติเฉยๆเรามันไม่แก้งตรงนี้เราไม่แก้งสมมุติเราไม่แก้งรูปนามเราเห็นแล้วมันไม่แก้งเห็นแล้วไม่ได้คําตอบเหมือนผมกล่าวมาตั้งแต่งต้นเห็นแล้วมันไม่ผ่านมันติด ไปมาด่ามาว่าก็ไม่ได้นะทีนี้พอเข้าถึงจุดนี้น่ะพอจับพอพ อ, พอจับรูปน้ำได้ชัดเจนน่ะนะเราก็อยู่กับตัวนี้อย่าไปอยู่กับตัวอื่นอยู่กับรูปน้ำให้ละแต่ว่ามินมันจะมีอารมณ์มาร่วมอารมณ์ไม่ปัตนูจะมาทันทีพูดธรรมโอ๊ยเดินอยู่คนเดียวเทศอยู่คนเดียวหมดวันหมดคืนอยู่นั่นแหละเทศ เจ่งมากเทศดีมากเนี่ยพูดอยู่คนเดียวน่ะไม่มีความห่วงไม่มีอะไรไม่มีรนะแต่ความโกรธความมโหมีอยู่มีอยู่แท้ลดแต่มันไม่หมดเนี่ยพราะเขา้าเข้าถึงจุดนี่แต่พอจับตัดติได้ทีแรกน่ะเกิดปีติเน่ะมีอยู่ไม่ลดยิ่งจะเพิ่มอีกความโกรธยิ่งเพิ่มความมโหอะไรทุกสิ่งอย่างเพิ่มหมดแต่พอเขา้าเข้าใจรูปนามเนี่ยลดนะลดแท้ ลดแต่มันไม่หมดนะลดแล้วทิฏฐิมานะกอดกับลดทีนี้เมื่อมันเหลือเนี่ยมันเหลืออยู่แต่มันรู้จักแก้รู้จักแก้แล้วความโกรธขึ้นมาเราก็รู้จักแก้ความหลงขึ้นมาก็รู้จักแก้หลงตัวเดียวนะั้นละมันเป็นไปหมดทุกอย่างนะเราจะเห็นแล้วที่เ ร, เราจะเราเราจะรู้จักแก้แล้วแล้วไม่เป็นผู้ไม่เป็นผู้แพ้แล้วที่เนี่ยเป็นผู้ชนะแล้วนะเป็นผู้ชนะแท้แท้ แก้ได้เกิดจากตาแก้แก้ได้เกิดจากหูแก้ได้รูปเสียงกษษิจรสัมผัสแกะและเป็นผู้แก้โอ้เราเราผ่านได้เราเด้อเนี่ยเป็นผู้แก้เรามีชัยชนะแล้วชิดตังเมย์ชิดตังเมย์เราชนะแล้วเราชนะต่ออารมณ์เราแล้วเนี่ยมันได้คําตอบมาอย่างนี้เนี่ยมันได้คําตอบมาอย่างจริงไม่ใช่ไปอ่านไปท่องอะไรเลยเอาการกระทําเลยล่ะลงมือกระทำเอาเลยเราจ้องจัดสรรชีวิตของเราเป็น ระบบระเบียบนี่เนี่ยมันมันได้คําตอบมาอย่างนี้ได้คําตอบจริงจริงทีนี้ถ้าได้อย่างนี้แล้วเนี่ยคือความหลงเนี่ยหลงเนี่ยไม่ใช่หลงอย่าง อ, างอื่นที่มันว่าเป็นเป็นหลงไปขับไป ล, อลมอารมณ์วิปทานูยินทะยานวิปลาสเนี่ยไม่ใช่หล ง, งหลงปัญญาเจ้าของปัญญามันจะเกิดมาหมด มันแปลอะไรได้หมดเทศอะไรเป็นได้หมดเช่นว่าวันนี้จะไปเทศอ่างานศพตั้งขึ้นมาเทศพูดได้ดีมากเลยเนี่ยขณะที่เรายึมพ่วมอยู่นะมันมันเป็นอย่างนั้นะจะไปเทศงานบวชหนะ้างานอะไรมันมันมันเป็นไปหมดเทศชาพนักกิจอะไรต่างๆนาำมันมันมันเป็นไปหมดทั้งๆที่เราไม่เรียนมัน ก, มนก็มันก็เทศได้เนี่นก็เลยมาโอ้เป็นอย่างเนี้ ก็เลยมาคิดเห็นคําพูดของหลวงพ่อเทียนบอกว่าปากคือปากได้หูหนวกได้ยินเสียงเอผมเนี่ยแต่ก่อนมันพูดไม่เป็นแต่ยังพูดอยู่เดียวนี่นะก็ก็ไม่ได้ไม่ได้จําไม่อะไรมาแต่ก่อนมันพูดไม่เป็นแต่ก่อนเราเนี่ยพูดไม่เป็นแต่ที่นี่เราทํำไมพูดเป็นโอ้นเนี่ยปากเกือกปากได้เนี่ยตาบอดเห็นเอเห็น มองเห็นน่ะคือพอเรารู้อย่างนี้แล้วเราจะมองคนอื่นเห็นหมดถ้าเราเห็นตัวเราเองแหละจะมองทางอื่นรู้หมดเลยคนนั่นโอเป็นอย่างนั้นติดอยู่อย่างนั้นเด้ข้องอยู่อันนี้เด้ท่านพูดเนี่ยท่านเทศอย่างเงี้ยใครเทศออกมาจากอารมณ์ปฏิบัติแล้วก็ฟังออกเนี่ยหูหนวดได้ยินเสียงฟังออกเลยล่ะตาบอดเห็นเนี่ยก็ดูดูคนอื่นถูกเมื่อเห็นเจ้าของมันเห็นไปหมดจมเห็นเจ้าของเห็นไปหมดนะ เห็นไปโม้เห right mm ็นคนทั้งโลกเหมือนกันหมดเนี่ยเห็นอย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นนะแต่นี่เป็นการเข้าเข้ารูธธรรมคำว่าถ้าความเข้าใจของผมว่ารูธธรรมขั้นขั้นที่สองพอเข้าใจรูปนามเนี่ยผมว่าเข้าผมว่าผมเองน่ยเข้าเข้ารูธธรรมขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งเข้าคือเข้าถึงตัวสติขั้นที่สองเนี่ยคือคือเข้าถึงรูปนามได้คําตอบมาจากรูปนามนะ แต่ความชิดความชิดเนี่ยมันมีอยู่ความปรุงความแต่งมีอยู่แต่แก้ได้แต่แก้ได้มันจะต่างจากที่ผมเคยหัดอ่ยุบหนอพองหน่อมายุบหนอพองหนอ่อเนีพราะเกิดอารมณ์ขึ้นมาจะต้องไปนั่งสมาธิเออกาหนดมันก็มันมันก็ไ ม, ม, ม่อยู่หรือเดินดมกลมไอ้ที่นี้การจเจริญสติที่หลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อเทียนมาสอนเนะี่ยความเข้าใจของผมเองนี่ มันแน่นอนเลยเพื ıt, cares, anything, life, ่อเกิดตรงไหนจะแก้ตรงนั้นเหตุเกิดตรงไหนแก้ตรงนั้นเกิดจากตาแก้ตาเกิดจากหูแก้หูไปที่ไหนจะเป็นผู้แก้อยู่ตลอดไม่ให้อารมณ์มันหมักหมมอยู่ในจิตใจไม่ได้แบกอารมณ์เลยซึ่งแต่ก่อนเราจะแบกอารมณ์ด้ยโตรี่ก็แบกอยู่นั่นหละเอาออกไม่เป็นสลาออกไม่เป็นนี่แต่พออย่างนี้พอเข้ามาจยู่ในเรารู้จักแล้ว รู้จักถอยแล้วรู้จักรู้จักสลัดออกแล้วมันเป็นผู้ไม่กลัวต่ออารมณ์สักอย่างเข้าไปไปเชิญเลยอะไรก็ได้เอา้าจะด่าจะว่าอะไรก็กได้เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ต, ตาหูจมูกเลี้ยงกายใจเกิดที่ไหนแก่ที่นั่นอนนะดีตอนาคตแก้ไปหมดเป็นผู้สบาย แ, แก้ได้เหมือนเราไ่ใช้ชนะแล้วโอ้อยังเท่านี้เด้สิ่งที่จะแก้ อารมณ์ของเราแก่ความคิดของเราก็มีแต่แก้กําหนดรูปสติสติอยู่กับกายนี่เองดังนั้นนะัปฏิบัติเนี่ยขอให้เราทํากายญานุปัสสนาเนี่ยให้สมบูรณ์เท่าก่อนถ้าควรพระเช้าของผมนะครับผมเองได้ได้สัมผัสมาอย่างนี้เราทํากายญาณุปัสสนาให้สมบูรณ์ที่สุดต้นกําเนิดของกรรมฐานจ ะ, จะอยู่ที่นี่คือคือตัวสติอยู่กับกายเนี่ยเอาตัวหลักอันนี้ไปก่อนให้มันมีน้ําหนักก่อนให้มันมากก่อน ส่วนเวทนาจิตตาธรรมาเป็นผลเป็นผลถ้าหากว่าตัวหลักของกายานุปัสนาเนี่ยเป็นหลักที่มั่นคงแล้วเนี่ยการอารมณ์อะไรต่างๆนานาเนี่ยเราจะผ่านได้หมดถ้าหลักนี่ไม่ดีนะถ้าหลักกายานุปัสนาเนี่ยไม่ดีนะคือสติอยู่กับกายไม่สมบูรณ์เนี่ยเราจะติดอารมณ์ทันที แล้วก็คําตอบเนี่ยไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ตอบมาชัดเจนเลยไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนนะดังนั้นนักปฏิบัตินี่ให้เราเริ่มต้นจากสติอยู่กับกายเนี่ยก่อนกายานุปัสนาสติปทานเนี่ยก่อนให้เราเริ่มต้นจากนี้นี่สําหรับผมเองได้สัมผัสมาเป็นอย่างนี้แต่รูปอื่นนั้นอาจจะไม่เหมือนผมก็ได้นะผมเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าเราได้สติอยู่กับกายดีๆเนี่ยเราจะเป็นผู้ อ, องค์อาจไม่กลัวไม่กลัวต่ออารมณ์อะไรต่างๆนะไม่ไม่มีกลัวเลยนะแต่ถ้าเราไปชิดไปอ่านเอาไปจำเอามาเนี่ยนะรูปนามไปจำเอามาหลือไปอ่านเอามาเนี่ยเรารู้อยู่พูดได้อยู่แต่ว่าการแก้าอารมณ์จะของไม่ไม่ได้แก้ไม่ได้อารมณ์ไม่ผ่านนะนี่ดังนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ยืนห ย, ยัดอยู่รูปนามนี่แหละอยู่กับรูปนามเนี่ยอย่าไปทิ้งตัวนี้ เมื่อไปได้อย่างนี้รูปนามจะพาเราเดินต่อไปอีกรูปนามจะพาเราจะพาเราเดินต่อกันไปอีกเมื่อเห็นรูปนามเนี่ยเราจะเห็นเข้าใจว่าวัตถุปรมัติอาการเนี่ยเราจะไปเห็นโอน้อาการของเราเนี่ยโอ้วัตถุทุกสิ่งทุกอย่างเป็นวัตถุไปหมดนี่เมื่อเห็นวัตถุก็รูปปรมัดนะ แล้วอาการเนี่ยกายของเราก็เหมือนกันเช่นเห็นเราเห็นทุกอยู่กายเนี่ยโอ้อาการของกายมันทุกข์มันสุขมันดีมันชั่วยอยู่อย่างนี้อย่างยัดยมง่วง น, นอนเนี่ยโอ้เราเป็นผู้ง่วงสะละยาไปเป็นคุ้ ง, ง่วงมันเป็นอาการของกายมันเป็นอาการรู้สึกรู้แต่ว่าอาการนะ ย, ยมแล้วเป็นผู้ง่วงโอ้ยเต็มที่เราหลวงพ่อเอ้ยวายดอกอยยมาไปยาน อดสากันซะก่อนกั้นใจไปซะก่อนให้มันถึงอารมณ์ซะก่อนได้แท้ๆยังบโบรานเพื่อนวานเด้ออดใส่เงียบ น, นอนเฮียนฝากไม่ไพ่วันนั้นอ่ะบัตรถ้าบุญคาดได้สีนอนแป้นแกนกระยุงดอกนะวันเด้อสู้ไปซะก่อนโซ่บุกเบิกให้มันถึงอารมณ์ซะก่อนถ้าบุกเบิกเดินไปให้ถึงอารมณ์แหละให้เชื่ตัวเองแล้ะมันจะมีที่ที่แมงว่างก็มีเลยนี่ไปมันแมงว่างหรอกมันแมงว่าง มันมีที่ไม่ง่วงมีอยู่นะมีแท้ๆไม่ใช่โกหกไม่โกหกแท้ๆเนี่แต่ก่อนหลวงพ่อก็ฟังหลวงพ่อคำเสียนพูดนะก็ไม่เชื่อท่านเหมือนกันก็ว่าท่านโกหกแต่พอเรามาถึงโอกิ่งของท่านเนี่ยเนี่ยความเจ็บความปวดความเหนื่อยความล่าเป็นอาการของกายสักว่าอาการเท่านั้นเด้ถ้าเราไปร่วมเพืบนี่เราเป็นทันที เป็นตัวตนโตตนขึ้นมาทันทีทุกขึ้นมาทันทีเ<ร>นะี่ยเราอยา่าไปเป็นผู้ร่วมเป็นเป็นแนวร่วมเขาเราดูให้ดีๆปอ<ล>งซ<ส>ะมาปองดูดีมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่นั่งอยู่กันเ ด, ดี๋ยวนี้รูปธรรมเป็นธรมรมชาติอันหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่เราจะไม่ใช่ของเราแท้ๆมันเป็นไปตามเหตุตามใจของมันแท้ๆบอกมันก็ไม่ได้บังคับมันก็ได้รูปธรรมที่เรานั่งอยู่เนี้ยคือกายเราเนี่ย นะบอกอยากแก่เด้อมันก็ไม่ฟังอยากเก็บเด้อก็ไม่ฟังอยากตายก็ไ่ก็ไม่ฟังหรอกแต่เรานั่นนะ่ะไปไปไปเอาธรรมชาติมาเป็นของเรา ท, าทาั้งทั้งในธรรมชาติคือธรรมะนั่นแหละเป็นก้อนธรรมก้อ น, น เ, เนึ้อแท้ๆเลยนี่กายของเราเนี่ยเราเอาธรรมธรรมชาติเนี่ยอมาเป็นของเราสาละเราก็ได้ยากอยู่จุดนี้นี่ใจเราก็เหมือนกันน่ะเป็นเป็นอาการของกิจเท่านั้นแหะ มันปรุงมันแต่งมันดีมันชัวนะ่วถ้าเราสลัดออกมาออกไปเป็นผู้พิจารณามันเป็นผู้เห็นมันเนี่ยเราจะไม่ไปเขาเกี่ยวข้องกับมัน น, ะนั่นเราจะไม่ทุกข์กับมันแล้วนะดังนั้นการที่เราถ้าเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะไปเห็นเข้าไปรู้เรื่องเรื่องความคิดเราจะไปรู้เรื่องความคิด คือไปรู้เรื่องใจนั่นเองอ่ะไม่ช่รู้เรื่องอื่นเรื่องใจของเราทุกคนเนี่ยเราไม่รู้มันหรอกถ้ายมรู้รืออไม่โกรธโกรธไม่เป็นแต่เดี๋ยวนี้เราเราไม่รู้มันนะโกรธแกับมันหมดเนี่ยเราไม่รู้อาการของมันอะใจของเราเป็นอย่างนั้นเองมันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่เราจะมาสอนที่ที่จะมาสอนเราถ้าเรารู้ว่าโอ้เห็นใจของเราแล้ว แต่ก่อนเราเป็นทาสของมันมันใช่ไปยังไงก็ไปหมดมใช่ไปโกรธก็โกรธใช่ไปเกลียดก็เกลียดใช่ไปโมโหก็โมโหใช่ข่าใช่แกงสร้ัดอย่างใจบังคับเราทีนี้พอเรามาลูกมันแล้วบังคับเราไม่ได้อีกแล้วเนี่ยเราชนะแล้วเมื่อเราชนะแล้วเนี่ยเรา ก, ก็สบายอะไรเกิดมาเราก็เป็นเราลูกมัน สติสัมปชัญญะเนี่ยถ้าฝึกไปดีๆมันเปลี่ยนเป็นปัญญาสติกับปัญญาเนี่ยเป็นคู่กันอยู่ด้วยกันนั่นละทีนี้ความชิดก็เหมือนกันซึ่งแต่ก่อนปัญญาเนี่ยนะหรือสติเนี่มันเป็นความชิดแต่พอเราดูไปศึกษาศึกษาไปมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมาเป็นปัญญา เหมือนหน้ามือเราเนี่ยอันนี้อันนี้มันเป็นเป็นสติแล้วเนี่ยเป็นปัญญาเพราะความลงเป็นความคิดอยู่อย่างนี้นี่แต่มันเร็วมากทีนี้พอเราลู่มันพอเราลู่มันแล้วเนี่ยเราจะไม่จะไม่ไปตามมันนะมันชิดก็่ลู่คำว่าลู่คิดนี่พอลู่ท่านมันก็หายมันไม่ได้ปรุงอต่อไปเหมือนเราลู่มือเรายกอยู่เดี๋ยวนี้ยลู่ตัวเนี่ยตัวลู่ตัวเนี่ยตัวสติตัวเนี่ย เนี่ยเราลู่ว่ายกขึ้นยกลงอยู่นะความชิดก็เหมือนกันพอชิดมาก็วลู่อย่างนี้ลู่แล้วก็ผ่านกําหนดลู่โอ้เราจะโอ้ขึ้นมาทันทีนั่นล่ะนี่อะไรก่อช่างความรักความช่างความอะไรจะท่างถ้าเราไปลู่มาแล้วเราจะโอ้โอ้แล้วเ น, น, นะนี่จะไม่คล่องเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเราจะเป็นพวกคล่องผู้ติดอยู่ทีนี้ เราไม่ติดละเป็นผู้ผ่านแล้วอะไรมาแล้วก็ผ่านได้ดังนั้นการจเจริญสติการหัดกรรมฐานเนี่ยทีแรกมันยากนะก็ะยังท่านอาจารย์มหาหลายท่านพูดนั่นล่ละยากก็ยากสุดายากก็ยากที่สุดท่านว่าง่ายก็ง่ายที่สุดถ้าเราดูเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย แทบจะไม่มีอะไรที่จะทำเลยเราเป็นผู้ดูมันอยู่เกิดขึ้นจากกายก็ดูกายกำหนดรู้มันคำว่ากำหนดรู้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้กำหนดนะมันรู้ของมันเองมันเป็นเองเกิดจากตาจากหูก็รู้เองก็รู้เองแก้เองรู้เองแก้เองเกิดจากใจเกิดจากความชิดก็ไปรู้เองปล่อยเองรู้เองปล่อยเองซึ่งแต่ก่อนความชิดเนี่ยเรากลัวมาก นะเรากลัวมากมันกัดมันกินมันทำลายเราแท้แท้ถ้าจะเปรียบก็เหมือนอ่าเหมือนขอโทษถ้าจะเปรียบนะเหมือนเหมือนเราเลี้ยงเหมือนบ้านเพื่อนของเรามีอ่ะมีเพื่อนคนหนึ่งอย่างเงี้ยเขาเลี้ยงหมาดุไว้ยอย่างเงี้ยเราไปหาเพื่อนเนี่ยจะต้องบอกเขาบอกเขาจับหมาเด้ อ, อ, อกลัวมันเราไปบ่อยเข้าบ่อยเข้ า, บ, ข า, บ, ขาบ่อยเข้าเนี่ย ไปอาหารมันจินบ้างอะไรบ้างมันก็เครื่องคุ้นกับเราเนี่ยคุ้นกับเราแล้วที่เนี่ยเราไปมันรู้จักสนิทหนุ่มเราแล้วไม่เป็นไม่อไม่เป็นศัตรูกับเราแล้วพอเข้าบ้านพระมาหาแก่งหางเสร็เลยล่ะรูปผมว่ารูหางไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อเราความชิดก็เหมือนกันเปรียบเหมือนหมาดุซึ่งแต่ก่อนมันเห็นเรามันจะขยําเราทันทีเนี่ยความชิดอ่ะเราเป็นทาสของมันทันทีล่ะ เนี่ยอะไรมันมันใช่เราเราทำกับมันหมดหมดเนื้อหมดตัวไปเลยที่นี่พอเราดูไปดูมาดูไปดูมาเนี่ยมันเชื่องเข้าเชื่องเข้าเป็นมิตรต่อเราความชิดที่เป็นมิตรต่อเราเดอ้อเดี๋ยวนี้เราเร า, เราว่าเป็นศัตรูนะเพราะว่าเรายังไม่แก้งยังไม่ยังไม่เข้าใจชัดแต่ถ้าเราเข้าใจเห็นมันแล้วเนี่ยมันเป็นมิตรต่อเรามันมาสอนทําให้เราเด้อนี่ ความโกรธขึ้นมาก็เออนี่มันสอนทําให้เราความเสียใจเกิดขึ้นมาความไปตกกังวลเกิดขึ้นมามีแต่มันมาสอนทําให้เราเนี่ยมันเป็นหมู่เป็นมิตรเราหมดตาหูจมูกร่านกายใจไม่เป็นศัตรูต่อเราเลยกายของเราก็เหมือนกันไม่เป็นศัตรูต่อเราเลยดังนั้นคําว่ากิเลสเนี่ยเราจะว่าผู้หญิงกับผู้ชายเป็นกิเลสซึ่งกันและกันอ่ะบุหรี่เหล้าหมากอะไรเป็นกิเลส กิเลสไม่ใช่อยู่ที่ไม่ใช่อยู่ที่นั่นนะเป็นกิเลสก็จริงถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับมันนะแต่กิเลสมันอยู่ที่ใจของเรานี้เราไม่ต้องไปแก้อะไรแก้ใจของเราเนี่ยอย่างเดียวยหมดจบเลยนะจบเลยละ่ะไม่ต้องไปยากนี่คือทำของของอยากให้เป็นของง่ายนะทำให้เป็นของง่ายจริงๆดังนั้นญาติโยมอย่าไปกลัวว่ามันง่วงนอน ง่วงนอนอะไรต่างน่ะก็อย่าไปกลัวไม่ต้องไปกลัวดอกทําไปฝืนไปหัดไปนั่นเถอะเหมือนญาติโยมนี่แหะทอผ้าเนี่ยหลวงพ่อก็ได้ถามไม่ออกอยู่เมื่อเว้นกลางวันนะ่ะทอผ้าแล้วก็หัดอะ่ะหัดไปหัดมาก็ชํานาญไปไประมาทก็เท่าสวยทองามนั่นตัวนี้ก็เหมือนกันละ่ะความงามมันมีอยู่แล้วอยู่ในการธรรมเนี่ยนะขอให้เราสํารวมสํารวมสักหน่อยการเดินก็ให้สํารวมอย่าไปเดินคุยกันอย่าไปนั่น ให้นั่งสร้างแก้วก็เหมือนกันให้กาหนดอยู่กับตัวรูจริงๆมันจะเห็นมันจะได้ปิดบ้างปิดตาปิดหูช่วยมันบ้างใหม่ๆเนี่ยนะใหม่ๆช่วยบ้างสํารวมตาหูจมูกลิน้นกายสํารวมอย่าไปปล่อยนี่่าไปปล่อยมันเจังบัวล้านเพลินวานเด้อเพลินวาเป็นจีสนาทําไวนะ้น่ะตาดีไปข้องสร้างสามปีขึ้น มามือเป่าวานะน่ะตาบอดปรหคองสร้างสามมือได้ขี่มา้าถ้าญาติโยมเนี่ยสํารวมดีๆอยู่เนี่ยก็เห็นหลายคนอะ่ะได้อารมณ์ดีดอะ่ะถ้าเห็นถ้าได้อารมณ์เนี่ยจะอยู่คนเดียวแล้วจะหันหน้าไม่เข้าหมู่แล้วนั่นคือคนได้อารมณ์นี่ถ้าอย่างนั้นระวังเดี๋ยวก็เข้าใจแหละจะถึงตัวสติถ้าได้ตัวสติภาพก็ได้ต้นทางทันทีอะนี่ได้ต้นทางทัน ท, ทีอย่างนั้นเราอย่าไปทําให้มันยาก ทำตรงๆซื้ออ้รูปซื้อเนี่ยกยกมือก็รูปเดินก็รูปเอาต uh, ัวรูปเป็นหลักเอาสติเป็นหลักสติจะพ mm hmm. ah, าเราไปรูปนะรูกนี่เป็นเรื่องของสติเองสติก็เปียบมันยานยานพาหานะนะเปียบมันยานพาหานะเช่นเราจะไปกรุงเทพเนี่ยเราก็ขึ้นนั่งรถเขาจะบอกเลยละสารคามกรุงเทพเราไปขึ้นไปนั่งนั่งรถแล้วรถจะพาเราไปเองผ่านไปเองละ เราไม่ต้องไปจัดการอะไรกับรถเลยเป็นผู้นั่งอยู่เฉยๆรถจะพาเราไปเองสติสัมปัติัญญะก็เหมือนกันเรายืนหยัดอยู่กับสติอยู่กับกายเนี่ยสติจะพาเราไปรู้เองรู้สติปทานสติก็จะพาเข้าไปรู้โลกรูปนามสติก็ขาวขาเขาไปรู้รูปปดรูปปล่อยรูปอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างสติหน้าที่ของสติเองจะไปรู้เองเหมือนเราทานข้าวเนี่ยทานเข้าวเรามีมีหน้าที่ทานเฉยๆนะ มิถิทานไปทานไปคำนั่นคำนั่นคำนี้ไปเนี่ยทั้งจุดอิ่มมันก็ต้องเขบอกเราเองว่ามันอิ่มนี่อิ่มไม่อิ่มเฉยเฉยข้าวคาราที่กินไปทุกคําทุกคําเนี่ยมันจะไปทําหน้าที่เองเปลี่ยนเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นมันสมองเป็นสติเป็นสมาธินี่ที่เราจะอยู่ได้ก็ก็เพราะอาหารเราไม่ได้บอกว่าคํานี้เป็นเลือดเด้คํานี้เป็นเนื้อเด้เราไม่ต้องไปบอกหน้าที่ของธรรมชาติเขาเป็นไปเอง นีการเจริญสติก็เหมือนกันขอให้เรายืนหยัดให้ดีดียืนหยัดให้ดีๆอยู่กับสตินี่แหละเนี่ยสติจะพาไปเองเป็นไปเองธรรมชาติดังนั้นสติปฐานนี่มีมีอิทธิหาริ์เหมือนกันนะมีอิทธิฤทธิ์เหมือนกันทําไมถไึงว่าอย่างนั้นหลวงพ่อเนี่ยยวัดหลวงพ่อเนี่ยทุกทุกปีจะมีพุทธการลามาบวชลามาบวชทุกปี บางบางคนเนี่ยติดบุหรี่ติดเล่าติดอะไรมาจนเสียคนก็มีพอมาอยู่เนะี่ยเขาเขาเาหยุดได้เลยก็ไม่มีอะไรที่จะสอนเขาน ะ, ไ ม, มาะ ไ, นะไม่มีอุบายไรนะไม่มีอุบายให้เดินน้ำกลมหน่อยอย่างเดียวคุณอยากจะเลิกไม่อยา ก, กเลิกเดินน้ำกลมเอาสติตัวเดียวท่านจะสอนเขานี่คนคนหนึ่งเนะี่ยเขาเป็นทหารเป็นจ่า เสียคนจะแรกเขาจะไล่ออกแล้วเมียไรทอดทิ้งหมดแล้วเมียเาก็ทิ้งเขาไปบวชกับหลวงพ่อปีสามหกเนะี่ยพ่อบวชเขาก็เดินโยกลมเนี่ยเดินโยมกลมปฏิบัติหพ่อไอเกียรมอยู่ในห้องตอนก็มันเสียงเสียงหากออกออกอยู่หลวงพ่อก็บไปเดินไปเอ๊เป็นอย่างนอ้๊บผานี่วะคุณเป็นอะไรผมชิดเห็นชิดเห็นความเก่าของผมอดีตที่ผ่านมา ผมเ็เห็นผมจินเล่าเนะี่ยผมเลยเบื่อนายมันเบื่อนายเลยเขาตั้งแต่วันนั้นมาแกกเ็เลิกเลยบุรีบลิกเลิกหมดเดี๋ยวนี้มาอยู่ที่ขอนแก่นได้เป็นนายร้อยทหารแล้วสอบออกมาสอบได้แน่อยูย่เลยบอกว่าพยายามหลวงพ่อเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ธรรมะเนี่ยมันมีปฏิหารหลวงพ่อผมเนี่ยสอบมาสอบทำไมถึงได้ได้า ย, ยางสวยงามเลยได้เป็นนายทหารแล้วนี่เขาว่ายอย่างั้น ที่นี่เขาสึกออกมาเนี่ยเขาเฉียนไปเลยว่าศิษย์สวนป่ากาลิโกรุ่นสามหกเขาไปบวช ด, ด้วยสี่คนด้วยกันพวกรายการเป็นทหารสามนะะเป็นทำงานกรม ไ, ไฟฟ้าคนหนึ่งก็พากเขาเลิกลาดได้หมดเนี่ยเลิกราดได้หมดปีนี้ก็ ต, ติดยามาติดยามาเนี่ยโอ๊ยพ่อแม่เขาบอกไปได้แล้ว เขาก็เป็นคนลูกคนมีเงินมีทองอ่ะพ่อแม่บอกมาเนี่เรียนไม่จบเรียนได้เทปมมอสามเอาไปเอาไปบวชบวชกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกว่าเธอจะอยู่ได้ไหมเนี่ยอยู่ที่นี่มันมันยากเด้เขาก็แม่เขาพ่อก็บังคับพี่เขาบังคับพี่เขาเป็นตำรวจอยู่ที่กาลสินเนะี่ยบังคับแกก็แก ก, แก็เอาแกแก็อยู่ปฏิบัติเดี๋ยวนี่โอ้ย เลิกหมดแล้วดีบทแล้วสามคนเขาเลิกได้หมดนี่ทั้งซื้อทั้งกินนะทั้งกินม้าเนี่ยทั้งขายสารพัดอย่างทะเดี๋ยวได้ข้าศํานึกได้แล้วเดี๋ยวนี้ก็ชวนมาไม่มาเ่ะเก็บอารมณ์อยู่ที่วัดสามคนด้วยกันเนี่ยมีตั้งแต่นักเลงมา้าฉีดเฮเนีฉีดจนแขนเนี่ยไป ม, มีที่นั่นแล้วเขาก็ว่าเขาได้ชีวิตใหม่แล้ว เขาก็ได้คําตอบนี่ดังนั้นสติสัมปชัญญะเนี่ยรูปแบบของหลวงพ่อเทียนที่สอนพวกเรานี้มันแก้ได้หลายๆอย่างแก้ทางโลกก็ได้แก้ทางหลงก็ได้หลงไปกับของเสพติดก็คือความหลงด้าการกําหนดรูดแต่ละขั้นละขั้งมันเป็นการทํำลายความหลงนะเราหลงเราไม่รู้จากว่าหลงเลยเนียนโอหนึ่งไปอยู่นั่นนี่ผมเองพาตะเกียบอารมณ์อยู่กับวัดจันมิมนเนี่ย ปาเ ข, ขาวงคาเนี่ยยี่สิบกว่าวันคนระับเนรโอนาโอยได้คำตอบออกมาเลยนี่ซึ่งแต่ก่อนผมเป็นคนหลงเนี่ยเดี๋ยวนี้ผลผมรู้มันแล้วมันพาผมทำไปไปทั่วเนี่ยการมีสติเป็นการทำลายความหลงจะหลงอะไรมาก็ตามอ่ะจะทุกมาจีปีกี่เดือนเนี่ยนะนะนอนไม่หลับกินไม่ได้นะ่ะไปลองดูไม่มีวิชาอะไรที่จะทำให้หรอกโยมคนหนึ่งเป็นผู้หญิงอ่ะ อายุเกือบจะห้าห้าสิบเศษแล้วเขาป่วยมาตั้งหกปีร้องพยาบาล์ล ก, กิดที่ไหนไปหมดไม่มีทางหายนี่ทีนี้แม่ของของแกนะ่ะเคยมาอยู่กับหลวงพ่อก่อนแกเป็นผีฝ้าผีอะไรเนี่ยมาอยู่ก็หายแม่แม่หายเอาลูกมาผู้ลูกไม่อยากมาเลยจะมาจะหายยังไงได้ใช้เดินจมกมเนี่ยแกเป็นบ้าได้บางบางทีนี่ ตอนนี้เยเนี่ยร้องให้เลยอะโอ้ยไว้ไว้ขึ้นคนเดียวอยู่กลางวัดอะร้องเลยต้องไปปลอบใจอะไรต่างนนาก็หายพอมาเดินน้ำกลมเนี่ยอยู่สามปีเดี๋ยวนี่หายเรียบร้อยแล้วเมื่อหายแล้วนี่หน้าตาก็สดชื่นขึ้นแกไม่ไปบ้านเลยเดี๋ยวนี้อยู่ที่วัดหนองคอลนั่นแะนั่นอยู่ที่นั่นแกก็บอกว่าตะกอนในฉันไปผูกคอตายก็ไปเขามาตัดเทือกออก บางทีก็กระโดดไปลีอยู่ในหนองในน้าอะไรต่างๆนานาเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นแล้วเป็นคนดีแล้วนี่แกนอนไม่หลับเลยละนอนไม่หลับตั้งห้าหกปีแล้วเดี๋ยวนี้นอนหลับแล้วแกบอกว่าฉันไม่เอาอะไรดอกหลวงพ่อเอาแค่ฉันนอนหลับก็พอธรรมะธรรมโมอะไรฉันไป็นลูกก็ตามคอยฉันนอนหลับย้อมอยากนอนหลับไม่ไ ม, ไม่ยากหรอกเดินเดินถุงก๋ให้หมดวันดูที่มือเนี่ยวันเนี่ยเดินถุงก๋ให้หมดวันเอ๋อแกแกเป็นคนขยันแกก็เดินหมดวัน ตอนเชา้าหลวงพอไปถามเป็นไงนอนหลับไหมนอนหลับดีแท้ๆแล้วก็แปลกอีกถ้าแกไปบ้านแกว่า น, นอนไม่หลับอย่าต้องกลับมาอยู่งั้นเดี๋ยวนี้ดีแล้วปกติดีแล้วนี่มันแก้ได้อย่างนั้นดังนั้นการที่เราเข้าใจธรรมะเนี่ยมันแก้ได้ทุกอย่างธรรมะเนี่ปัญญาโอสถแก้ได้ทั้งโล ก, กิตแกได้ทั้งลกกายนะถ้าเราทําถูกแก้ได้หมดแท้ๆนี่เป็นอย่างนั้นนะดังนั้นที่ได้มากล่าวนี่ก็อยากจะให้กําลังใจของญาติโยมหรือกำลของภิกษุ พระคุณเจ้าและญาติโยมเนี่ยได้เอาไปคิดไปพิจารณาทดลองสอบทดลองดูมันจะเป็นจะลู่อย่างที่อผมกล่าวมานี่ไหมผมก็พูดเรื่องของผมเนี่ยแหละที่ได้สัมผัสมาเป็นอย่างนี้ดังนั้นวันนี้ที่ผมได้กล่าวมาก็เห็นจะสมควรเกียเ่ยวกเราโคตจบลงคงไว้เพียงเท่านี้ถ้านี้คนเราทั้งหลายต้งตั้งใจศึกษาปฏิบัติให้ลู่ชัดสัจจะความจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิด